นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธสัสสะนะโมตัสะตสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต ระหตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตันจะอธรรมเณรธรรมเณรมรนันจะยังมรนังธรรมิกังสส ย, ยยันเจชีเวอธรรมิกันติ ณนะบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเศรษฐีวิตตกถฐาพนพรรณนาถึงชีวิตที่ประเสริฐดีงาม เพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดและป้องกันความผิดพลรราดในการดำเนินชีวิตของท่านทลายประรบในโอกาสที่ผองพุทธบริษัทยาโยมทุกทุกท่านครูอาจารย์หลานหลานนักเรียน โรงเรียนวัดปิรวงกทมมีท่านพู้หนนวยการเป็นประธานได้มาสดับพระธรรมเทศนามาบริจาคทานมาสมาทานศีลและเจริญภาวนาในวันพระหรือวันธรรมมัรสวนาหรือวันอุโบสถ ซึ่งเป็นวันประเสริฐและวันที่มีคุณค่าสำหรับเราท่านทลายผู้เป็นชาวพุทธเกจของชาวพุทธนั้นเป็นที่ประจักษ์ว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสใจศรัทธาในพระรัตนตรยัย องสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาได้ตรัสถึงหน้าที่หรือกิจที่ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติเป็นหลักใหญ่ๆอยู่สามประการด้วยกันประการที่หนึ่งขับชั่วออกไปประการที่สองขนดีเข้ามาใส่ประการที่สาม รักษาดีนันนันไว้ขับชั่วออกไปขนดีเข้ามาใส่รักษาดีนันนันไว้ขับชั่วออกไปเรียกว่าปานากิจขนดีเข้ามาใส่เรียกว่าภาวนากิจรักษาดีนันนันไว้เรียกว่าอนุรักษนากิจ เพราะฉะนั้นการที่พุทธบริษัทญาติโยมชาววัดปริยญวงทุกท่าน <c oughs> ที่ได้มาบำเพ็ญกิจของพุทธบริษัทเป็นประจำทุกวันพระเป็นประจำทุกวันธรรมวัว น, น์สนานก็มีวัตถุประสงค์สำคัญในแต่ละวัน ในแต่ละวันประเสริฐที่เราท่านทลายได้มาประสบพบกันอย่างน้อยเจ็ดวันต่อครั้งดึงถามว่าที่เราท่านทลายมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมทุกทุกๆุเจ็ดวันนี้เราท่านทลายมาทำไมก็ตอบว่า เราท่านตะหลายมารักษาศีลห้าเพื่อให้กายวาจาของเราหมดจดเรามารักษาศีลุโบสดเพื่อเปรื่องโปรดพันธะเรามาบริจาคทานเพื่อประหารโลภะเรามาแผ่เมตตาเพื่อประหารโทสะเรามาสวดมนตไหว้พระ เพื่อกำจัดกิเลสและเรามาฟังธรรมฟังเทศก็เพื่อเป็นการเสริมธรรมและเสริมปัญญาดังที่ได้รารพในเบื้องต้นท่านทหลายทุกทุกเจ็ดวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำหนดให้เราท่านทหลายเข้าวัด ปฏิบัติธรรมนั้นก็เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินชีวิตในเจ็ดวันที่ผ่านมาว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดเป็นประการใดบ้างหากบกพร่องผิดพลาดก็จะได้หาทางปรับปรุงแก้ไขให้ดีงามขึ้น หากว่าดีงามอยู่แล้วก็ให้ตามรักษาดีนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าทัตโตปุญญปวัตถิบนยิ่งทำยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งมีบนยิ่งสะสมมาก ชีวิตยิ่งมีความสุขมากดังที่ได้ทรงแสดงเอาไว้ว่าสุโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขท่านทั้งหลายเราทุกท่านทุกคนมีวันเวลาที่เนื่องด้วยชีวิตจริงๆแล้วก็มีเพียง คนละสมวันบางท่านอาจจะนึกคานในใจว่าเจดวันแต่ว่าสรุปแล้วก็อยู่ที่สามวันเท่านั้นคือวันนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้มีอยู่สามวันวันนี้เป็นอดีตเราใช้ไปแล้ววันนี้ เป็นปัจจุบันกำลังใช้อยู่พรุ่งนี้เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงจะได้ใช้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวันที่เป็นประโยชน์ต่อเราจริงๆก็มีวันเดียวเท่านั้นคือวันนี้ จะทำอะไรก็ให้รีบทำเพราะทพัดวันประกันพรุ่งเอาไว้เดือนหน้าปีโน้นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้กระทำเพราะไม่มีใครรู้ว่ามัจจุราชจะมาเชื้อเชิญเราไปเมื่อใดท่านทลาย มีวาทกรรมคำของนักปราชดท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเรานั้นขาดอาหารจะอยู่ได้ประมาณส0บถึงส2สองวันถ้าขาดอาหารอยู่ได้ส0บถึงส2บสองวันถ้าขาดน้ำ จะอยู่ได้ราวเจ็ดวันแต่ถ้าขาดอากาศอยู่ได้เพียงสองนาทีถ้าเกิดนั้นก็เรียกว่าไม่กลับมาแล้วขาดอากาศอยู่ได้เพียงสองนาทีแต่ถ้าขาดความดีแม้อยู่ร0อยปีก็ไม่มีความหมายจะเห็นได้ว่า ชีวิตจะมีคุณมีค่าก็อยู่ที่มีประโยชน์ประโยชน์คือค่าราคาของชีวิตประโยชน์คือแก่นของชีวิตประโยชน์หรือความดีที่ได้บ่มเพลงเป็นอนุสาวรีย์ของชีวิตอันประโยชน์นั้นมีสองส่วนด้วยกัน คือหนึ่งประโยชน์ส่วนตนสองประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนตนท่านเรียกว่าอัตตหิตประโยชน์เช่นการศึกษาให้มีวิชาความรู้การสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งให้ชีวิตมีความมั่นคงมั่งคั่งเี่เรียกว่าอัตติหิตประโยชน์ ประการที่สองประโยชน์ส่วนรวมเรียกว่าประหิตประโยชน์เมื่อมีความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ระบายประโยชน์ส่วนตนนั้นออกสู่ส่วนรวมสังคมประเทศชาติพระศาสนาอย่างนี้ชื่อว่าเป็นคนที่มีคุณมีค่าคนที่มีประโยชน์ คนที่บำเพ็ญประโยชน์ท่านเรียกว่าบุคคลคุณภาพบุคคลคุณภาพอยู่เขาก็รักจากเขาก็อะไรแต่คนไร้คุณภาพอยู่เขาก็ไม่รักจากเขาก็ไม่อะไรซ้ำอยู่แล้วเขาหนักใจจากไปแล้วเขาโล่งอก และประโยชน์นั้นใช่จะมีเฉพาะเวลาที่เรายังมีลมหายใจอยู่เท่านั้นก็หาไม่แม้แต่สิ้นลมหายใจแล้วประโยชน์ก็จะพิทักษ์รักษาผู้บำเพ็ญให้ไม่ถูกลืมที่เรียกว่าไม่ตายเป็นอมะตะพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังชิรติมัจจานัง นามะโคดตังนาชิรติอันวัวควายตายเล่าเหลือเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นสักขีคนเราตายเหลือไว้แต่ชั่วดีบันดามีประดับไว้ในโลกาเปรวเทียนละลายแท่งเพื่อเปล่งแสงอันอัมภัย ชีวิตมาลายไปเหลือสิ่งไรไว้ทดแทนเทียนนั้นแสงดีที่ใสพันไม้ชั่วดีที่ผลเพราะฉะนั้นเราเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนเพราะค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของงานอยู่ที่การกระทำค่าของการกระทำอยู่ที่ทำดีเกิดเป็นคนอย่าให้จนความดีเกิดมาทั้งทีต้องสร้างดีให้ติดตนแล้วจะเป็นบุคคลคุณภาพเป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มใสใบหนาของครอบครัวและวงตระกูล ท่านทลายชีวิตของทุกชีวิตนั้นมีวิถีชีวิตมีอยู่แบบที่ปฏิบัติกันทั่วไปและที่เป็นกันอยู่ทั่วไปนั้นสีแบบหรือเสียระดับด้วยกันข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงวิถีแห่งชีวิตไว้ หนึ่งตโมตะมะปรายโนแปลว่ามืดมาแล้วก็มืดไปเป็นชีวิตที่หมดหวังเป็นชีวิตที่ตกระดับมาอับไปอับประการที่สองตโมโชติปรายโนมืดมาแล้วสว่างไป เป็นชีวิตที่มากด้วยความหวังเป็นชีวิตต่างระดับแล้วก็ติดระดับเรียกมกว่ามาอับแต่กลับจะรุ่งเรืองประการที่สามโชติตมะปรายโนอย่างนี้เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปแต่ก็ยังเป็นชีวิตที่ยังพอมีหวัง แม้จะดีในเบื้องต้นแต่สุดท้ายอาจจะผิดพลาดบกพร่องแต่ถ้าเกิดสำนึกผิดสานึกผิดได้คิดแล้วปรับปรุงแก้ไขชีวิตก็จะกลับไปไต่ระดับเรียกว่าแม้มาสูงแต่ไปต่ำแต่ก็กลับ มาเป็นดีได้ดังที่โบราณท่านบอกว่าลูกคนจนค้นแค้นแสนจะคิดอาจแผลงฤทธ์กลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่าอาจโ ป, โปรเป็นเมธีเหตุชะนี้ไม่ควรหลูดูหมิ่นกันเพียงแต่ว่าเมื่อได้สำนึกแล้วปรับปรุง แก้ไขกลับจิตกลับใจกลับกลายกลับตัวกลับหางกลับผัวกลับช่วยเป็นดีพลิกจิตคิดใหม่ประการสุดท้ายโชติโ ช, ต, โชติปรยณูเป็นชีวิตที่สว่างมาแล้วก็สว่างไปเรียกว่าเป็นชีวิตที่สมหวังเป็นชีวิตที่สว่างสวยัยหรือเป็นชีวิตที่ ไม่เช่ตกระดับไม่เช่ต่างระดับไม่เช่แต่ระดับแต่เป็นชีวิตที่เต็มระดับมารุ่งเรืองไปรุ่งโรทงดทั้งบททั้งวงนี้ก็เกิดจากความเป็นผู้ที่มีความใฝ่ดีเป็นที่ตั้งมีความ รักดีเป็นที่ตั้งญาติยโยมทุกทุกท่านบ้านเมืองสง่างามก็เพราะความสะอาดอาคารบ้านเรือนสง่างามก็เพราะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้คนจะดีก็เพราะมีระเบียบวินัย ต้นไม้น้อยใหญ่จังงดงามเพราะแผ่กิ่งก้านสาขามีดอกและมีผลดกฝูงวีหกนกกาจึงโผลผวามาพึ่งพาอาศัยมนุษย์ก็เช่นเดียวกันถ้าสมบัติเสียหมายถึงทรัพย์สินสมบัติเสื้อผ้าอาภรณ์เป็นต้น ก็ยังถือว่าไม่มีอะไรจะเสียหายเพราะสร้างได้ซื้อได้หาไม่ได้แม้สุขภาพเสียเช่นพิกลพิการบ้างในบางส่วนก็ถือว่าบางสิ่งบางอย่างเสียไม่ใช่เสียทั้งหมดแต่ถ้าทิฏฐิวิบัติหรืออาจารวิบัติความเห็นก็เสีย ความประพฤติหรือนิสัยก็เสียย่อมเป็นอันว่าเสียทั้งหมดเพราะชื่อว่ามีสิ่งอัปรรักษ์อยู่ในตัวในตนแต่บางท่านบางคนไม่หันมาดูตัวเองแต่ไปโทษนั่นโทษนี่เช่นโทษว่าเทวดามาพลอยผสม โทษว่าพระพรหมมาเป็นผู้ริคิตโทษว่าญาติมิตรมาเป็นผู้บันดาลคือโยนออกนอกตัวเองทั้งหมดไม่มีความเชื่อมั่นในกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่ตนได้ประกอบขึ้นหมอแพทย์ทายว่าไข้ลมคุมถอนว่าเคราะ แรงรุมโทษให้แม่มดว่าผีกลุมทำโทษปราดว่ากรรมเองไซ้ก่อสร้างมาเองครองโลกกนิตท่านแสดงเอาไว้ชัดเจนอย่างนี้ท่านสาธุชนทุกท่านกฎของกระจกคือสะท้อนภาพกลับมา กฎของเวลาคือไม่ย้อนกลับหลังกฎของชีวิตคือทุกสิ่งไม่จรังกฎที่ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังก็คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้สําคัญมากเพราะกรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตของเราไม่ว่าจะให้กุศลกรรมลิขิตหรืออกุศลกรรมลิขิต ชีวิตเราเป็นไปตามผลของกรรมทั้งนั้นกรรมมะลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวซ้มท่านจึงบอกว่าชีวิตของคนเรานั้น ใส่เกลือไม่มีทางหวานใส่น้ําตาลไม่มีทางเค็มใส่เกลือไม่มีทางหวานอุปมาว่าทำชั่วไม่มีทางจะได้ดีใส่น้ําตาลไม่มีทางเค็มอุปมาว่าทําดีก็ไม่มีทางที่จะได้ชั่วแต่บางครั้ง ชีวิตก็อาจจะมีอุปสรรคขวากนามบ้างนั่นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามานไม่มีบารมีไม่เกิดมานไม่มีบารมีไม่แก่กล้าประการสำคัญเราท่านทลายต้องเป็นผู้พิชิตมานให้ได้พระพุทธเจ้าที่ได้เป็นศาสดาเอกในโลก เพราะส่งพระนามว่าพระพิชิตมารพระพุทธรูปที่ญาติโยมนิยมหล่อเป็นพระประธานนิยมกราบไหว้มีพุทธลักษณะงดงามมากคือพระปางมารวิชัยแปลว่าพระปางชนะมารเราท่านทั้งหลายก็ต้อง เอาชนะมารประจําชีวิตให้ได้ประกอบเหตุในทางดีวิถีชีวิตก็เบี่ยงเบนไปในทางดีประกอบเหตุในทางผิดพลาดไม่ดีวิถีชีวิตก็เบี่ยงเบนไปในทางไม่ดีต้องได้บทกวีที่ว่าประกอบเหตุให้ดีมีคุณยิ่ง สรรพสิ่งเมื่อเหตุตั้งก็หวังผลผลจะดีผลจะมีดีประเสริฐเกิดในตนเพราะเริ่มต้นคือเหตุที่เราท่านทลายทำดีมาเริ่มต้นคือเหตุที่ทำดีมาถ้าทำเหตุไม่ดีมาจะได้ผลดีนั้นเป็นอันว่าเป็นไปไม่ได้ และอย่าลืมว่าถูกเป็นข้อคิดผิดเป็นตำราโชคเป็นของคนกล้าวาสนาเป็นของคนจริงถูกเป็นข้อคิดผิดเป็นตำราโชคเป็นของคนกล้าวาสนาเป็นของคนจริงพูดจริงทำจริงดีจริงก็จะประเสริฐจริง ทำดีนั้นบางครั้งอาจจะไม่มีใครเห็นแต่ก็ดีกว่าทำชั่วให้โลกและสังคมเขาเห็นเพราะเหตุ น, นั้นท่านทั้งหลายในฐานะที่เราทุกท่านทุกคนเป็นพุทธบริษัทต้องตรนักไว้เสมอว่าศีลมีทุกเวลาที่ ไม่ทำผิดศีลมีทุกเวลาที่ไม่ทำผิดสมาธิมีทุกเวลาที่จิตไม่สับสนวุ่นวายปัญญามีทุกเวลาที่คิดเห็นถูกต้องวิมุตติมีทุกเวลาที่สละละวางจากความยึดมั่นถือมั่น อง์สมเด็จพระจอมทันจึงได้ตรัสเอาไว้ว่าสัพเพธรรมานาลังอภินนเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะถือก็ที่สุดก็ต้องวางยึดไว้ที่สุดก็ต้องปล่อยถึงเราไม่ปล่อยเอง สับเบอร์อเขาก็ต้องทําให้เราปล่อยแบบมือตอนที่เขารดน้ําศพเพราะนั้นบุคลิกภาพของผู้มีศีลทำประจําชีวิตจะต่างกับบุคลิกภาพของผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีทำประจําชีวิตถามว่าบุคลิกภาพของผู้มีศีลทำประจําชีวิตเป็นฉไหน ขอให้ท่านทลายสังเกตดูเถิดคนมีขันติดูสวยสดงามหยดย้อยคนมีสติย่ำเรียบร้อยดูงามยิ่งคนมีสมาธิจะเกิดอะไรอะไรใจก็นิ่งคนมีธรรมะจริงเพียงเข้าใกล้ใจก็เย็น ท่านจึงสอนให้เราทุกท่านทุกคนมันติดตามพฤติกรรมและถามใจตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาว่าสวดมนต์เก่งแต่ยังชอบนินทาอยู่ไหมชอบให้ทานแต่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ไหมรับศีลเป็นประจำ แต่ยังคิดร้ายต่อผู้อื่นอยู่หรือเปล่านั่งสมาธิเก่งแต่ก็ยังฟุ้งซ่านอยู่หรือไม่เจริญวิปัสนาแต่ยังไม่รู้คุณค่าของสติชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังต้องการคำชมกราบไหว้ผู้ใหญ่แต่ยังหยิงและถือตัว ชอบฟังเทศฟังธรรมแต่ไม่ชอบทำตามชอบแนะนำผู้อื่นแต่ตัวเองยังทำไม่ได้แพรส่วนบุญเป็นประจำแต่ยังหวงและเสียดายอะไรอวรนปากว่านุโมทนาแต่จิตยังอิจฉาริษยา ท่านให้พิจารณาตัวตนของตนเองอย่างนี้ว่าถ้ายังเป็นเช่นนี้อยู่ชื่อว่ายังไม่เข้าถึงธรรมยังไม่เข้าถึงธรรมถ้าคนมีธรรมพฤติกรรมจะตรงกันข้ามคนเรานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนโนปุพังคมาธรร ม, มามนโนเศรษามนโนปยาเป็นอาทิ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าโบราณก็บอกว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าเราท่านทั้งหลายจึงต้องระวังคือระวังใจไม่ให้กิเลสมันครอบงำไม่ให้กิเลสมามีอิทธิพลบงการชีวิตของเรา ถ้ากิเลสบงการเมื่อใดชีวิตของเราก็เศร้าหมองตกต่ำเสียหายเมื่อกิเลสครองใจจะพูดจะทำอะไรก็ผิดเมื่อธรรมะครองจิตจะพูดจะทำจะคิดก็ผลิตผลผู้ที่สติน้อยมักเก็บใจไว้ที่บาก ผู้ที่สติมากมักเก็บปากไว้ที่ใจผู้ที่มีธรรมะมักจะเอาชนะตนส่วนผู้รู้ธรรมะมุ่งที่จะเอาชนะคนอื่นข้อนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนไว้อีกว่าอัตตาหหเวชิตังสส ย, ยู การชนะตนนั้นประเสริฐที่สุดเพราะไม่มีทางที่จะกลับแพ้ได้การชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดี๋ยวกลับตนเป็นแพ้ไม่แน่นอนชนะตนจากชั่วเท่านั้นพอย่อมเกิดก่อสุขแท้แก่ตนเอย่ยคนที่มีธรรมะ จะรู้จักฐานะภาวะของตนรู้จักวางตัววางตนได้ถูกต้องเหมาะสมไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปอะไรที่เกินไปมักจะแสดงถึงความไม่พอดีอ่อนน้อมเกินไปก็จะกลายเป็นเฉื่อยชา รอบคอบเกินไปก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงกระาแกรงเกินไปก็จะกลายเป็นมานะทิฐิถือตัวตรงเกินไปก็จะกลายเป็นหญิงยะโสทุกอย่างจึงต้องมัชชิมาคือพอดีพอดีถ้าแคบนักมักคับขยับยาก ถ้ากว้างมากไม่มีอะไรจะใส่สมถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีคำว่านักนักนักนั่นแหละท่านถลายแสดงว่าเป็นส่วนเกินหรือไม่พอดีการที่ทุกท่านมันเข้าวัดก็เพื่อมาพัฒนาพฤติกรรม ปรับปรุงพฤติกรรมของเราฟังเทศหรือฟังธรรมก็เพื่อเพื่อพัฒนาความคิดและจิตใจเพราะจะพัฒนาอะไรอะไรก็จะติดและไม่มีผลสําฤธิ์ถ้าจิตของเรายังไม่พัฒนาท่านจึงให้พัฒนาจิตใจของเราให้มีศีลมีธรรมประจาใจ หลวงพ่อพุทธทาสพูดอยู่เสมอว่าถ้าศีลทรรมไม่กลับมาโลกาจะพินาศศีลธรรมนำสุขทุกสมัยเราเป็นไทยเพราะมีธรรมประจำชาติหากไรศีลสิ้นธรรมต่ำอำนาจประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรกันเมื่อใจของเรามีศีล ถึงไม่โกนศีรษะก็ดูเป็นพระถ้าใจเรามีธรรมะแม้จะไม่หมจีวรไม่ครองผ้ากาสาวพัดก็หน้ากราบหน้าไหวเพราะฉะนั้นที่เกิดปัญหาขึ้นในสังคมโลก ผู้คนเบียดเบียนกันมากในทุกๆด้านเรียกว่าเกิดความเสื่อมโทมเสื่อมทรามทางพฤติกรรมก็เพราะศิลธรรมมันขาดไปจากใจพฤติกรรมที่น่าเศร้าสลดใจจึงเกิดทวีคูณขึ้นทุกวันเช่น ทุจริตคอรัปชันทรยศคดโกงไม่ซื่อสัตย์ต่อกันละกันหลอกลวงซึ่งกันและกันชกชิงวิ่งราวจี้ปล้นคนแข็งแรงรรงแกคนอ่อนแอคนมั่งมีบีบคั้นบังคับ คู่เข็นคนที่ยากจนคนหมู่มากรรงแกคนหมู่น้อยคนฉลาดแกมโกงเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงคนโง่กว่าเรียกว่าต่างคนต่างก็แสวงหาสุขเพื่อตนแต่ในขณะเดียวกันก็ไปกอดทุกข์ ก่อความยากความลําบากให้แก่คนอื่นจนเกิดมนุษย์ชั่วเพิ่มปริมาณมากขึ้นกว่าคนดีที่มีอยู่ในโลกในสังคมดังที่ท่านจัดประเภทมนุษย์ไว้เป็นห้าประเภทมนุษย์ห้าประเภทอะไรบ้างเดงมนุษย์สเสนยรยิโก เรียกว่ามนุษย์นรกใจดำอมหิตมนุษเนมนุษสเตรชชานโนมนุษย์ดิรฉานทำอะไรไม่อายชั่วกลัวบาปมนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาสามประเภทนี้เป็นมนุษย์ประเภทชั่วร้าย เป็นประเภทที่เหินห่างจากศิลธรรมจากศ า, ศาสนาส่วนมนุษย์ที่ดีมีสองประเภทคือมนุษษสมนุษย์โสและมนุษษ์สตีโวมนุษสมนุษโสนันคือเรียกว่าคนเป็นคนมีศีลมีธรรมประจําใจ เป็นคนทั้งร่างกายและจิตใจมนุษย์เทโวมนุษย์เทวดาคือมีมนุษ ย, ยธรรมมีวัคซีนทางจิตเคยเฮริโอตา ป, ปะละอายชั่วครวบากำกับการดำเนินชีวิตจึงเป็นเทวดาโดยสมมุติเรียกกันว่าสมมุติเทพ และเมื่อพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปก็กลายเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ดัะ น, นั้นท่านทั้งหลายย้อนกลับไปที่ได้ปรารบไว้ในเบื้องต้นว่าเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะจากโลกนี้ไปทั้งทีให้เอาดีตราไว้ และดีที่จะตรึงอยู่ในหัวใจของผู้คนทั้งหลายเป็นตราประทับรับประกันความเป็นบุคคลคุณภาพของเราก็ได้แก่บารมีธรรมและบารมีกรรมหรือคุณประโยชน์คุณความดีที่แต่ละท่านแต่ละคนได้ร่วมกันสรรสร้างไว้ในแต่ละช่วงแต่ละวัยของชีวิต โบราณทั้งกลิขิดเอาไว้ว่าวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาให้สร้างหลักฐานวัยชราให้เร่งทาบุญจะเกิดคุณตลอดกาลแต่ถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าชีวิตเป็นโมคะชีวิตเป็นหมันพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้ตรัสเอาไว้ปรากฏในเศรษชีวิตกระถาดังพุทธพน์บทที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนานะเบื้องต้นว่าชีวิตตันจะอธรรมเมนะธรรมเมนะมรนันจะยังมรนังธรรมมกังสโยยันเจชีเวอธรรมมกงังแปลความว่า มีชีวิตอยู่โดยไม่มีความดีกับตายโดยมีความดีนั้นต่างกันตายยังมีความดีประเสริฐกว่ามีชีวิตอยู่แต่ไม่มีความดีจะอยู่ร้อยปีก็หาศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ไม่ได้ จึงเข้าหลักที่เด็กกล่าวไว้ว่าเกิดเป็นคนต้องสร้างตนให้มีดีเกิดมาทั้งที่ต้องสร้างดีให้ติดตนดังที่สาธุชนทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำทุกวันธรรมมัตสวนะที่วัดประยุรวงศาวาสี้ เป็นการประพฤติปฏิบัติที่เรียกว่าทำดีเอาไว้ให้ลูกทำถูกเอาไว้ให้หลานทำดีให้ลูกหลานดูกระตันยูให้ลูกหลานเห็นเป็นร่มโพ ร, ร่มใสให้ลูกหลานได้เย็นจึงกลายเป็นบุคคลคุณภาพเป็นบุคคลต้นแบบทั้งแบบแผนแบบอย่าง และแบบฉบับที่ดีงามดังได้วิสัชนามาอิมินากตัตปุญเยนะขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคือพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพปุญญาณุภาพจงได้ดนบันดาลประทานพร ให้พองพุทธบริษัททุกท่านทุกคนครูอาจารย์และหลานนักเรียนโรงเรียนวัดพิระวงกทมทุกคนที่ได้สละโอกาสและเวลามาร่วมฟังเทศฟังธรรมในวันธรรมมัดสวนะนีขออนุภาพแห่งบุญกุศลคุณงามความดี ที่ทุกท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญให้เป็นไปตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนสมัยและจกได้บำเพ็ญต่อไปขอจงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ทุกทุกท่านณนะสมาคมนี้จงประสบแต่สิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผลด้วยสิ่งอันพึงปรารถนา จ, จงทุกประการ รัตนัตยาณุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกเจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ภัยสาลปุดผ่องพลผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังครัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกเสื่อจนจนเกินไข ขอเดชะคุณพระตรรัฐดังฉัดชัยเจริญไวัยเจริญสีทวีสุขทุกประการรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐีวิตตกฐาพนพันนาถึงชีวิตที่ประเสริฐมีคุณมีค่าได้ชี้แจงแสดงมาสมสมัยได้เวลา ข อ, อยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี